คือกรรมฐานนะมันเรียนเรียนไปต้องไม่ลืมเหมือ ง, งานหลักของเรานะศึกษาให้ดีก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นไม่ใช่มุ่งแต่ฝึกผู้อื่นไม่ฝึกตนเองน mm hmm. ีคนมาเรียนที่เราเยอะแยะบางคนไม่ได้รู้จักเรานะไม่เคยมาด้วยซ้ำไปอนะร mm hmm. ก็ลูกศิษย์ลวพ่อประโมทเหมือนกันนะ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 เรือนปื้มเรียกว่าบ้านน้ำลายมันก็ไม่ได้ว่าเป็นอาญ ก, กรรมอะไรนะแต่ว่าบางคนมันเป็นอย่างนั้นมันมีวิปัสสนูตัวหนึ่งมันฟุ้งซ่านในธรรมะนี่แต่ถ้ามีสติมีปัญญาคอยสังเกตใจอุ้ยทาไมมันอยากพูดธรรมะทั้งวันหลายคนเป็นนะแต่ว่ามันไม่รุนแรงถึงขนาดร่วงเกินครูบาอาจารย์ มิปัสนูมันมี1ิบอย่างส่วนมากก็คือคิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอราหันต์บ้างไม่เป็นบ้างเวลาปกติก็เหมือนคนธรรมดาไม่เหมือนคนบ้านะคนบ้านะั้นมันบ้าจริงๆมิปัสนูนี่มันไม่ได้บ้าแต่มันมีอาการเหมือนคนบ้าเป็นช่วงๆเวลาพูดธรร ม, มะเวลาคิดธรร ม, มะเวลาที่เค้าเคลียกับธรร ม, มะแล้วมันจะเกิดบ้าขึ้นมา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 ไปไอสันนรกไปด่าโอ้พระอราหันต์โกรธนะคือท่านยั่วให้จิตมันเคลื่อนออกมาจินไปเกาะอยู่อารมณ์แล้วก็เคลิ้มเคลิ้มนึกว่าเป็นพระอราหันต์แล้วบ้าน้ำลายท่านด่าเปรี่ยงเขาเ้าไปนะโกรธขึ้นมาเอาแล้วหลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูกูไม่สอนก็ได้ท่านก็คว้ า, าไม้กวาดมึงแบกใส่นึกว่าโกรธ เดินออกไปจากวัดบ <uitive> ูรณ์นะตัดลงทางใต้ไปนัแนแะไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์เดินไปสามกิโลเกิดสติขึ้นมาว่าเฮ้ยโกรธเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์หรอกคนนี้นานนะอาจจะรู้สามกิโลในข้าวัดป่าโยธาภสิทธิ์นะไปพักพอให้ผ่อนคลายแล้ว เข้าไปหาโลกงูโชตหลวูโชตลกศิษ hmm. ย์หลวงปู่ดูเหมือนกันเสร็จแล้วท่านก็พากลับมาขอขมาครูบาาจารย์ท่านก็ไม่ว่าอะไรดอกมันติดกันครูบาจารย์ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกระบวนการด่านั้นก็แก้ได้หลายคนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปวัดบรมนิวาดไปคุยอวดเจ้าคุณอุบาลีดิฉันไม่โกรธดิฉันไม่มีความโกรธ เจ้คุณบูบาลีสวนกลับเลยอีต้อแลลวโอ้พระนาคาโกรธแล้วนะเดินตุ๊ปังตุ๊ปงองออกจากวัดไปนะ้วพอพลนวัดก็นึกขึ้นได้นี่ไม่แรงมากกลับไปขอขมานะมีปัจจนมีแปลกๆนะบางทีก็เพ่งสติสติแรงไปมีสติทั้งวันมีสติทั้งคืนจนกระทั่งเครียด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 เป็นวิปัสนาอ่อนๆเขาเรียกตาลุณะวิปัสนาตาลุนตาลุนอ่ะตาลุนเรียอเด็กๆวิปัสนาเด็กๆ<ช>ไม่ใช่วิปัสนาผู้ใหญ่วิปัสนาเด็กๆก็เห็นรูปเห็นนามเนี่ยเกิดดับเป็นปัจจุบันนะ<ช>อย่างเห็นรูปนามเนี่ยรู้สึกเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราอ่ะรู้สึกอยู่อย่งี้เห็นรูปตรงนี้รูปตรงนี้เหมือนคอดชั่นเลยเห็นรูปใจอยู่ต่างหากนะใจไม่ได้เพ่งเข้าไปในรูป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 ถ้าขึ้นมีปััสนาแล้วก็จะเห็นความเกิดดับเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นดวงหนึงเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นหรือบางทีก็เห็นนำมาทำกระจายตัวออกไปเห็นจิตอยู่ต่างหากนะเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกแยกออกไปเห็นความจำได้หมายรู้แยกออกไปเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนี่แยกออกไปไม่ใช่จิตแยกออกไปอีกเนี่ยกระจายออกไปกระจายออกไป วิปัสนาเนี่ยมันจะเห็นวิปัสนาแท้ๆจะเห็นสองอันอันนึงเห็นสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดเห็นรูปอันนี้กับรูปอันนี้คนละรูปเห็นกนละรูปเห็นนามอันนี้กับ น, นามอันนี้คนละนามสันตติมันขาดขาดยังไงนะเห็นนามอันนึงกับนามอันนึงนีขาดออกจากกันมีช่องว่างมาขั้นนะมีช่องว่างมาขั้นนี่สันตติขาดนะไม่ใช่ต่อเนื่องเป็นสายเดียวกันเหมือนสายน้ํา แต่เดิมเรานั่งดูจิตดูใจเราเหมือนดูน้ําไหลผ่านหน้าไปไหลไปเรื่อยไม่มีช่องว่างนี่พอสติสมาธิแก่กล้าขึ้นมาันเห็นนะรูปนามมันเกิดดับได้เกิดแล้วดับอันใหม่กับอันเก่านี่คนละอันเห็นตอนหน้าต่อ ต, อตาไม่ใช่คิดเอาถ้ายัางคิดเอาเรียกว่าสมาสาาัญาณยังไม่ขึ้นมิปสาาัญญาณมิปสาาัญญาณนี่ต้องอุทธยัปพยาัญยานชื่อมันไม่ต้องจําก็ได้นะไม่สาคัญหรอก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 วันหลังจะได้บอกคนอื่นถูกเลเือเอใครเขาถาม น, นี่ก็วิปัสสนูนะความรู้มากเกินไปแล้วก็ไปยึดถืออยู่ในความรู้นั้นอีกทีหนึ่งภาวนานนสว่างปุ๊บขึ้นมาทั้งโลกธาตุสว่างไปหมดเลย น, นี่เรียกโอภาษเป็นวิปัสสนูชนิดโอภาษโลกธาตุสว่างมองไปทางไหนทะลุโปรลงไปหมดเลยนะเหมือนกับมีตาเรามีเลด้าเลยนะ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 สตินี้อัศจรรย์มากเลยสตินี้แข็งปึกเลยมองในดินฟ้าอากาศนะเห็นอนุของมันเลยสติมันคมกล้ามากเห็นอากาศเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดพวกเราบางคนก็เห็นเห็นเป็นเม็ดเม็ดนึกว่าดีนะโอ้เห็นนะ้ไอ้ขี้ฝุ่นหรือว่าอะไรนะเออไม่ใช่ขี้ฝุ่นเพราะโตพันเล็กเกินไปขี้ฝุ่นมันใหญ่ไปอย่างเงี้ยสตินี้คมอะไรจะกระตุกกระดิกในกายในใจรู้หมดเลย แต่ขาดความอ่อนโยนนุ่มนวลเห็นไหมเนี่ยความช่างสังเกตของเรานะ e, มันไม่นุ่มนวลไหมสติคมไปไม่ใช่อีกแล้ว mm hmm. เนี่ยอาศัยโยนยโสมนาสิการนะแยบคายในการสังเกตตัวเองจิตที่เป็นกุศลมันต้องเบาต้องนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวนรณ์กลับงับบางทีสติกล้าไปโอ้จิตแข็ง ขมกล้าเกินไปไม่ถูกละนะปัญญามากไปฟุงซ่านนี่หว่านี่มันนิวรณ์ละนะฟุงซ่านนี่ไม่ใช่แล้วหรือมันสว่างขึ้นมาโอ้สบายเราพาวนาวความสบายเลยทําไมมันไม่มีไตรลักษ์ให้ดูไหมนี่ความช่างสังเกตนะเอาตัวรอดได้นานน้หลวงพ่อ 3- าสเดือนถึงจะได้ไปหาหลวงปู่ดุลทีหนึ่งหรือไปหาหลวงปู่เทพนะที่ก็ไปหาหลวงปู่สิมบ้างอะไรบ้างหลายเดือนได้ไปทีหนึ่ง เพราะว่าเป็นข้าราชการไม่ได้หนีงานเหมือนข้าราชการยุคนี้นะนานๆนนได้ไปทีหนึ่งส่วนมากไปเนี่ยจะไปเล่าให้ท่านฟังว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะพาวนา嘛าท่านสอนไปอย่างนี้เราทำานี้เราเจออย่างนี้เราแก้มาอย่างนี้เราผ่านมาได้ด้วยวิธีนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยไอ้ที่ไปติดขัดค้างๆอยู่แล้วไปให้ท่านแก้ให้นี่แทบไม่มีมีอยู่สองครั้งครั้งหนึ่ง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 เราต้องมาแก้ก่อนก็เลยบอกสมถะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีชี้ชวนให้มาเจริญสติอย่าไปติดความสงบความเฉยนะแต่พอเจริญสติเป็นแล้วช่วงหนึ่งก็ต้องทําความสงบเข้ามานะการปฏิบัติในรูปแบบนะสำคัญนะไปเดินจงกรมนะไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อะไต้องทำเนี่ยตัวสมถะสําคัญนะอีกทีหนึ่งที่มีปัญหาเราแก้ไม่ตกด้วยตัวเองนะั้นคือปี26 นั่งภาวนาแล้วจิตมันรวมรวมแบบขาดสติซึ่งไม่เคยเป็นฝึกมาตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่นะไม่มีหรอกนั่งงอแงงอแงกไม่มีมีแต่นั่งรู้เนื้อรู้ตัวมีสติช่วงนั้นนั่งแล้วหัวสุกหัวสุนเลยนะนั่งบาอทีรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะหลับไปเกือบชั่วโมงแล้วเป็นไะไรก็ไม่รู้เอาไปนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเนี่ยเจ็บที่สุดนะ นั่งขัดเพชรเจ็บทั้งๆ ท, ที่เจ็บนั่นแหละก็หลับอีกจิดรวมลงไปไม่รู้เนะ้อรู้ตัวนะหัวสู้หัวซุนเลยไม่ทําไงดีว่าเดินโจงกลมเดินก็หลับอ๋อเดินก็เดินหลับนะเดินนั่ป้งชนประตูอย่างเงี้นะเ อ, อ, อะไรๆก็ไม่ได้นะไม่ได้พอดีขึ้นไปทางเชียงใหม่เอาไปกราบหลวงปู่สิมไปเล่าให้ท่านฟังโอ้มีอาการอย่างเงี้ยจิตมันรวมตลอดวันตลอดคืนเลย ทำยังไงดีผมแก้จนสุดสติสุดปัญญาแล้วนะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยไปหาท่านวันที่5สิงหาปีสองหกสิงหาหลวงปู่ยิ้มหวานผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้ทำไปเถอะ <S <S <S เดี๋ยวได้ของดีอย่างนี้ <S <S ทําไปเราไปถามท่านท่านไม่ตอบให้นะมีแต่บอกว่าอย่าไปสงสัยเลย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 เอาหลับก็หลับว่าดูมันทั้งหลับหลับนี่แหละนะไม่รู้เหตุรู้ผหลหรอกนะว่าอาศัยว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทําำอย่างนี้วันที่เจ็สิงหาหนะนั่งรถทัวกับกรุงเทพเนะี่ยจิตมันค่อยถอนขึ้นถอนขึ้นถอนขึ้นเออมันหายไปนะหลังจากนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกที่แท้จิตมันมีนิพพทาจิตมันมีนิพพทาอย่างแรงกล้าเลยเช่อมันเอื่อมโลกไปหมดเลยเห็นโลกาธาตุนี้น่าเบื่อสุดๆเลยนะ นี่พิทาพอรุนแรงจัดๆนี่นะจิตจะรวมหนีหนีโลกาธาตุเลยแล้วรวมแบบทิ้งโลกภายในด้วยะทิ้งหมดเลยทั้งสามโลกนี้ไม่เอาแล้วทั้งสามโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เอาแล้วตอนนนไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็ดิ้นรนค้นคว้าหาทางแก้แก้มันทําไมอ่ะมันเป็นทางผ่านนี่อาศัยว่าครูบาอาจารย์บอกให้เนี่ยเอาตัวไม่รอดอยู่สองทีนี้แหละ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 พาไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ